เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอบาสุอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30มีนาคมพุทธศักราช2557เป็นวันพระวันธรรมสวนะัสวันฝังธรรมวันสร้างบุญสร้างกุศล สร้างทรัพย์ภายในที่เราสามารถที่จะเอาติดตัวไปกับเราได้ทรัพย์ภายนอกนี้เวลาเราตายไปเราไม่สามารถเอาติดไปกับเราได้ต้องกลายเป็นทรัพย์ของผู้อื่นไปถ้าไม่ได้ทํามีทรัพย์ภายในไปเก็จะต้องไปแบบขอทานต้องคอยรอรับ ส่วนบุญที่เขาอุทิศให้แต่บุญที่อุทิศนี้ก็เป็นบุญส่วนย่อยเป็นเหมือนเงินที่ให้กับขอทานไม่ใช่เป็นจํานวนมากมายดังนั้นเราจึงไม่ควรคิดว่าเราตายไปแล้วเราจะมีคนทาบุญอุทิศให้กับเราถึงแม้จะมีก็เป็นบุญเพียงเล็กน้อยที่ จะไม่สามารถทำให้เรามีความสุขสบายได้ก็จะพอบรรเทาความทุกข์ยากแบบที่เราให้เงินขอทานไปก็พอจะแบ่งเบาความทุกข์ให้เบาลงไปแต่จะให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายเหมือนเศรษฐีนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ ถ้าเราตายไปแล้วเราอยากจะไปอยู่แบบเศรษฐีเราต้องทำบุญมากๆคือทานมีบุญมีเงินมีทอง ม, มากน้อยถ้าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ใช้ก็อย่าหวงเก็บไว้เลยเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรตายไปก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปแต่ถ้าเราเอามาทำทาน เอามาแบ่งปันเอามาให้ผู้ที่เขาตกทุกข์ยาก ไ, ได้ยากเดือดร้อนหรือให้กับผู้มีพระคุณ mm. เช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้ที่มีพระคุณกับเราเราก็จะได้ทรัพย์ภายในไปเวลาเราตายไปเราก็จะไปอย่างเศรษฐีไม่ต้องไปแบบขอทานถ้าเราไม่ทับทานนี้ ก็จะต้องไปแบบขอทานดังนั้นพระพุทธเจ้าทรง ส, งสอนให้เราหัดทำทานอยู่เรื่อยๆทำทุกวันเพื่อจะได้ติดเป็นนิสัยไปเช่นชาวพุทธเราก็มีธรรมเนียมการใส่บาตรเพราะมีพระจะบินทบาทมาโปรดสัตว์ที่บ้านถ้ามีพระมาบินทบาทเราก็ควรที่จะใส่บาตรกันทุกวัน แต่ถ้าไม่มีพระมาบินตบาศก็ให้เอาเงินที่เราจะซื้ออาหารใส่บาสนี้ใส่ไว้ในกระปุกอองศินไว้เวลาที่เรามาวัดเราก็เอาเงินที่เราใส่ไว้ในกระปุกนี้มาถวายให้กับวัดก็จะเท่ากับเราได้ทำบุญทุกวันเพราะการทำบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารนี่ ถ้าเราได้ทำบุญแล้วใจของเราก็จะมีความอิ่มมีความสุขในปัจจุบันในอนาคตเราก็จะมีเงินสะสมไว้ในธนาคารบุญพอเราตายไปเราก็จะมีเงินรอเราอยู่ข้างหน้าไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่อดอยากขาดแคลนไม่เดือดร้อนไม่ไม่เป็นขอถาน ังนั้นขอให้เราหัดทำกันทุกวันเพราะถ้าเราไม่ทำทุกวันแล้วเราก็จะมักจะเกิดความเกลียดคร้้งพอถึงเวลาที่จะทำบางทีก็ไม่อยากจะทำเสียดายเงินหรือเวลาจะทำก็ไม่มีเงินจะทำเพราะเอาเงินทำบุญไปซื้อข้าวของไปเที่ยวไปกินไปเล่นเสียหมดพอถึงเวลาอยากจะทำทานก็ทำไม่ได้ แต่ถ้าเราแบ่งเงินไว้ทุกวันไว้สำหรับทาทานวันละหบาทส0บบาทหรือร้อยบาทก็สุดแท้แต่กำลังแบ่งไว้กใส่กระปุกไว้พอถึงเวลาที่อยากจะทำบุญทาทานเราก็จะมีเงินทาบุญทาทานนี่คือเหตุผลที่เราควรจะฝึกทำทุกวันเพราะจะได้ติดเป็นนิสัย <c oughs> พอเป็นติดเป็นนิสัยแล้วก็ จะขาดไม่ได้วันไหนขาดนี้จะรู้สึกว่าไม่ได้กินอาหารญาติโยมบางคนใส่บาตรทุกวันพอวันไหนตื่นสายมาใส่ไม่ทันพระเดินไปแล้วก็ยังบุตสาขับรถตามไปใส่เพราะรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ใส่แล้วจะไม่สบายใจไม่มีความมั่นใจไม่มีความสุขใจ ดังนั้นขอให้เราทำทานไปเถิดส่วนที่เราเสียคือเงินทองนี้เป็นส่วนน้อยส่วนที่เราได้นี้เป็นส่วนใหญ่คือเราได้บุญได้ความสุขใจอิ่มใจที่เงินทองจะไม่สามารถซื้ออะไรต่างๆให้กับเราได้ต่อให้เราเงินไปซื้อข้าวซื้อของอะไรที่เราละเราชอบเราก็จะดีใจเพียงเดียวเดียว แล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปแต่เงินทองที่เราเสียสละให้แก่ผู้อื่นเพื่อให้เขามีความสุขเพื่อบันทุบบรรเทาความทุกข์ให้กับเขานี้จะทมให้เรามีความสุขใจอิ่มใจนานกว่าทุกครั้งที่เรานึกถึงบุญที่เราทำเราก็จะมีความสุขใจขึ้นมาแต่ทุกครั้งที่เรานึกถึงกระเป๋าหรือของที่เราไปซื้อมา แทนที่จะมีความอิ่มใจกับเกิดมีความอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่เพราะว่าเห็นของเก่าแล้วมันเบื่ออยากจะซื้อของใหม่แทนที่จะมีความอิ่มกับจะมีความหิวเกิดขึ้นมาถ้าเราเอาเงินทองไปซื้อข้าวของต่างๆที่ฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นมันก็จะทำให้เราติดนิสยัยต้องซื้ออยู่เรื่อ ย, เ, อยเวลาไม่ซื้อก็รู้สึกไม่สบายใจ เวลาซื้อมาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวเดียวถ้าทำอย่างนี้ไปก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญทำทานเวลาตายไปก็จะไปแบบขอทานกระเป๋าเสื้อผ้าข้าวของต่างๆ ท, ที่เราซื้อซื้อมานี้เราไม่สามารถเอาติดไปกับใจของเราได้ใจของเราเป็นนามมาทำไม่ใช่เป็นรูปธรรมรูปธรรมคือร่างกาย ใจเป็นนามธรรมสิ่งที่จะติดไปกับใจก็กต้องเป็นนามธรรมก็คือบุญที่เราได้ทำด้วยการแบ่งปันด้วยการเสียสละเข้าของเงินทองให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือให้แก่ผู้มีพระคุณนี่คือการสร้างทรัพย์ภายในที่เราจะทำให้เราไปไหนมาไหนไม่อดอยากขาดแคลน ถ้าเราอยากจะไปที่ดีเราก็ต้องรักษาศีลให้ได้เพราะถ้าเรารักษาศีลไม่ได้เราจะไม่สามารถไปที่ดีก็คือไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยเจ้าถ้าเราไม่รักษาศีลเราก็ต้องไปอาบายอบายก็ที่อยู่ของเดชะฉานของเปรตของผี ของนรกผู้ที่ทำบาปทำกรรมจะต้องไปใช้เวรใช้กรรมในสถานที่เหล่านั้นถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ก็จะไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นผีถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะไปตกนรกนี่คือที่ไป ของผู้ที่ทําบาดด้วยเหตุผลต่างๆเช่นคนที่ทำมาหากินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยิงนกตกปลาเพราะเห็นว่าเป็นความจําเป็นเพราะต้องเลี้ยงชีพก็ไรยต้องไปยิงนกตกปลาหรือทำอาชีพที่ต้องฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยนี่ก็ทํำไปโดยความไม่รู้ว่าเป็นบาดคิดว่าไม่เป็นไร นี่เป็นความจำเป็นแต่ก็เป็นแบบนึกเดราฉานเดราฉานเขาก็ไม่รู้ว่าเวลาเขาฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาก็ทำบาปแต่เขาก็คิดว่าเป็นการเลี้ยงชีพเป็นการเอาตัวรอดไม่เป็นไรแต่ความจริงมันเป็นเพราะว่าการฆ่าผู้อื่นนี้มันทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ทำให้ผู้ตกทุกข์ได้ยากถ้าเรา <c oughs> ไม่อยากจะไปเกิดเป็นเดราาัจฉานก็หลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเป็นอาชีพเปลี่ยนอาชีพใหม่ถ้าเรามีอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไกา่ฆ่าวัวฆ่าวัวฆ่าควายก็เลิกเสียไปทำอาชีพที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วเราจะได้ไม่ต้องไป ใช้กรรมในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดชฉานถ้าเราทำบาปเพราะเราโลภอยากได้มากๆทั้งๆที่เราก็พอมีพอกินแต่อยากร่ำอยากรวยก็เลยทำบาปทาบาปด้วยการโกหกหลอกลวงทำบาปด้วยการช่อโกงทำบาปด้วยการลักทรัพย์ทำบาปด้วยการฆ่าผู้อืน่นเพื่อที่จะได้ทรัพย์ของผู้อื่นมา อย่างนี้ทำไปแล้วท่านบอกว่าตายไปจะไปเป็นเปรตเปรตก็คือผู้มีความโลภมากได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มรู้จักพอท่านถึงเปรตเปียดเปรต เ, เ, เหมือนกับคนที่มีปากเท่ารูเข็มมีท้องเท่าโอ่งกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มเพราะเวลากินก็กินได้ทีละเล็กทีละน้อยเพราะปากเท่ารูเข็มแต่ท้องนี่ใหญ่เท่าตุ่มกว่าจะ ดูดกินของผ่านลูเข็นเข้าไปทาให้ตุ่มมันเต็มก็ต้องใช้เวลานานนี่คือลักษณะของคนที่มีความอยากไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอได้หมื่นก็อยากจะได้แสนได้แสนก็อยากจะได้ล้านได้ล้านก็อยากจะได้สิบล้านได้สิบล้านก็อยากได้ร้อยล้านพันล้านถ้าเป็นแบบนี้ก็เรียกว่าเป็น เริ่มเข้าสู่การเป็นเปรตแต่ถ้าไม่ได้ทําบาปหาเงินหาทองมาโดยไม่การทําบาปอย่างนี้ก็ยังไม่เป็นเปรตเป็นเพียงแต่คนโลภคนอยากได้มากๆแต่ถ้าไปทําบาปเพื่อให้ได้เงินได้ทองมากๆตามที่ตนเองอยากได้อย่างนี้ก็จะกลายเป็นเปรตไปดังนั้นถ้าเรายัางโลภยังอยากได้เงินทองอยู่ ก็ขอให้หามาโดยวิธีสุดจริญเป็นสั ม, มาชีพอย่าทำผิดศีลผิดธรรมอย่าทำผิดกฎหมายแล้วเราก็จะได้ทรัพย์ที่บริสุทธิ์มานี่คือเรื่องของความโลภแต่ต่อให้ได้มามากน้อยเท่าไหร่ก็ตามใจก็ยังจะไม่มีความสุขอยู่ดีาะยังไม่มีความพอ คนเราจะมีความพอมีความสุขได้ต้องมีความพอคนเราจะมีความพอได้ต้องหยุดความโลภให้ได้เพราะถ้าหยุดความโลภไม่ได้ความโลภความอยากนี้มันจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่อิ่มไม่พอได้ล้านหนึ่งก็ยังรู้สึกไม่พออยากจะได้สิบล้านอยากจะได้1้อยล้านวิธีที่เราจะหยุดความโลภนี้เราต้องใช้เหตุผล ต้องถามตัวเราเองว่าเราเอาเงินมาบ้างๆนี้เราเอาไปทำอะไรเอาไปใช้อะไรปากเราก็มีแค่าปากเดียวท้องเราก็มีท้องเดียวเราต้องซื้ออะไรมากมายนะเสื้อผ้าเราที่มีอยู่ไม่พอใส่เหรออาหารที่เรามีกินอยู่ทุกวันนี้ไม่พอกินเลอบ้านที่เราอยู่นี้อยู่ไม่พออยู่เลอถ้าเราใช้เหตุผลแนละ้วเราก็จะละขังโลกได้ แต่ถ้าเรามีเงินมากเราก็เอาไปทําบุญแทน<ม>อย่าไปเก็บเอาไว้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะตัดความโลภเช่นเราต้องกําหนดว่าต่อไปนี้เราจะมีเงินไม่มากไปกว่านี้เช่นมีหนึ่งล้านพอถ้าได้มามากกว่าล้านหนึ่งนี้จะเอาไปทําบุญทําทานให้หมดถ้าทําอย่างนี้เราก็จะได้ประโยชน์สองต่อ ประโยชน์แรกก็คือหยุดความโลภหยุดความอยากได้สร้างความอิ่มสร้างความสุขให้กับใจเราได้สองทำให้เรามีทรัพย์ภายในติดตัวไปกับเราเพราะเราเอาเงินที่เรามีมากเกินไปนี้เอาไปทาบุญให้ทานนั่นเองแล้วเราก็จะป้องกันการที่เราจะไปเกิดเป็นเปรดได้เพราะถ้าเราไม่โลภไม่อยากได้ เราก็ไม่ต้องไปทำบาปทากรรมคนบางคนนี่มีมากแล้วไม่ต้องทำบาปทำกรรมก็อยู่ได้แต่อดทำบาปทำกรรมไม่ได้เพราะอยากจะได้มากกว่าที่มีอยู่นี่เองพอมีช่องทางที่จะได้มาโดยการทำบาปก็ทำทันทีเพราะความอยากนี่มันจะทำให้อดไม่ได้เห็นแล้วต้องเอาให้ได้อยากให้ได้ นี่คือแต่ถ้าเรามีขอบเขตกำหนดไว้เลยว่าเราจะมีทรัพย์เพียงเท่านี้ก็พอถ้ามีมากกว่านี้เราจะเอาไปทำบุญจะเอาไปฝากไว้ในธนาคารบุญเพื่อเวลาที่เราตายไปเราจะได้ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของคนอื่นเราจะไปแบบเศรษฐีอย่างนี้จะดีกว่า การที่เราจะไปแบบเศรษฐีได้เราก็ต้องไม่ทําบาปต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องทําทานอยู่เรื่อยๆตายไปเราก็จะได้ไปสวรรค์ไปเป็นเทพชั้นขั้นต่างๆนี่คือที่ไปของผู้ที่ทําบุญให้ทางและรักษาศีลถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าชั้นเทพที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพ คือสวรรค์ชั้นพรหมเราก็ต้องปฏิบัติธรรมเราต้องภาวนาคือเจริญสมถะภาวนาสมถะภาวนาแปลว่าทําใจให้สงบทําใจให้นิ่งเป็นสมาธิเวลาใจสงบใจนิ่งนี้จะมีความสุขยิ่งกว่าได้เงินร้อยล้านพันล้านการได้เงินร้อยล้านพันล้านก็เป็นเหมือนกับการได้ไปเป็นเทพ เช่นเราเอาเงินร้อยล้านพันล้านไปทำบุญตายไปเราก็จะได้ความสุดระดับเทพแต่ถ้าเราอยากจะได้ความสุดสูงกว่าบุญที่เราระดับของเทพก็คือเราต้องการบุญระดับพรหมเราก็ต้องปฏิบัติจิตภาวนานั่งสมาธิทาใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วเราจะได้บุญที่สูงกว่า ที่ดีกว่าบุญที่เราได้จากการทำทานรักษาศีลถ้าเราอยากจะไปเป็นพรหมเราก็ต้องทำทานรักษาศีลแล้วก็ <c oughs> ภาวนาทำใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วจะมีความสุขยิ่งกว่าความสุขของเทพของเศรษฐีนี่คือความสุข ที่สูงขึ้นทรัพย์ที่มีคุณค่ามากขึ้นก็คือทรัพย์ที่เกิดจากการบำเพ็ญจิตตภาวนาแล้วสูงกว่านี้ก็ยังมีความสุขระดับของพระอริยเจ้าคือความสุขของพระอรหันต์ความสุขของพะอ่ะพุทธเจ้าความสุขของพร ะ, ะอรหันต์ของพ่ะพุทธเจ้านี้เป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสือ่อม ความสุขของพรหมของเทพนี้ยังเสื่อมได้เช่นไปเป็นพรหมก็จะอยู่กับความสุขของพรหมไปแล้วก็จะค่อยๆเสื่อมหมดไปบุญของเทพของพรหมนี้เป็นเหมือนน้ำมันที่เราเติมใส่ในรถพอเราขับรถไปเรื่อยๆน้ำมันก็จะค่อยๆหมดไปพอหมดเราก็ต้องแวะจอดปั๊มเพื่อเติมน้ำมันใหม่ บุญที่เราได้จากการทาทานรักษาศีลนั่งสมาธิก็เป็นอย่างนั้นพอเสื่อมไปจากบุญระดับพรหมก็จะเลื่อนลงมาเป็นอยู่ในระดับเทพจากระดับเทพน้ำมันหมดก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่การมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเหมือนกับการแวาสถานีบริการเติมน้ำมันนี่เอง การมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นการมาเติมบุญกันเติมบุญหรือเติมบาปก็ได้ถ้าเติมบาปก็เวลาตายไปก็ไปเกิดในอาบายไปเป็นเดชะฉานไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปเป็นสัตว์นรกพอใช้บาปใช้กรรมหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวลาเป็นมนุษย์จึงมีทางเลือกจะไปทางบาปก็ได้จะไปทางบุญก็ได้ ถ้าไม่มีใครสั่งใครสอนส่วนใหญ่ก็มักจะไปตามนิสัยเดิมนิสัยเดิมชอบทำบุญก็จะไปทำบุญต่อนิสัยเดิมชอบทำบาปก็จะไปทำบาปต่อแต่ถ้าไายมาเกิดอยู่ในครอบครัวที่นับถือพระพุทธศาสนาที่ได้รับคำสอนให้ทำบุญให้ละ บ, บาปก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีพ่อหนแม่คอยพาทำบุญ คอยภาละบาปรักษาศีลถ้าทำตามแล้วติดเป็นนิสัยได้ก็จะได้นิสัยที่ดีไปก็จะทำบุญไม่ทำบาปพอตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอมบ า, ากลับไปเกิดเป็นเทพเป็นพรมใหม่แล้วก็กลับลงมาใหม่แต่ถ้าอยากจะไปแบบไม่กลับจะไปแบบพระพุทธเจ้าไปแบบพระอาหารหันต์ก็ต้องเจริญสม ภาวนาขั้นที่สองที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาวิปัสสนาก็คือการศึกษาความจริงของสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้ mm hmm. เช่นข้าวของเงินทองนาบยศเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายของเราและของคนอื่นเราต้องศึกษาให้เข้าใจว่า ของเหล่านี้เป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วต้องมีดับมีเกิดแล้วต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไม่ว่าจะเป็นลาบยศเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกวินกายก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราศึกษาเห็นความจริงเราก็จะได้ไม่อยากได้อะไรเพราะเราไม่อยากจะเสียใจในภายหลัง พะเราได้อะไรมาเราจะดีใจแต่เวลาเราเสียไปเราจะเสียใจแล้วเราต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปการมาเกิดในโลกนี้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นของเป็นสมบัติชั่วคราวเวลาที่เราตายเราก็ต้องสูญเสียทุกอย่างไปเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่เราต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราศึกษา สอนใจอยู่เรื่อยๆให้รู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีร่างกายนี้ก็เป็นของชั่วคราวอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีต่อไปเวลาตายไปแล้วก็จะได้ไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกพอเราไม่กลับมาเกิดอีกเราก็จะได้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกเราก็จะอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุด คือสวรรค์ของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ที่สามารถตัดความหลงจะตัดความอยากที่จะกลับมาเกิดใหม่ได้นี่คือสวรรค์ชั้นสูงสุดต้องศึกษาต้องสอนใจให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นความทุกข์ทุกพ่อไม่ถาวรทุกพ่อเพราะว่เาเป็นของชั่วคราว ทุกเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสั่งให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดเวลาเขาจะจากเราไปนี้เราห้ามเขาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองหรือบุคคลต่างๆทุกคนจะต้องมีการสิ้นสุดลงทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการสิ้นสุดลงเวลาสิ้นสุดลงก็เป็นเวลาเศร้าโศกเสียใจ ถ้าเราไม่อยากเศร้าโศกเสียใจก็อยากจะอยากไปมีอะไรถ้าไม่มีอะไรก็จะไม่มีอะไรที่เราจะต้องสูญเสียขอให้มีบุญเพียงอย่างเดียวก็พอขอให้เราสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละอวัยวะสละชีวิตเพื่อบุญพอเรามีบุญแล้วเราก็จะอยู่อย่างสบายเวลาเสียสมบัติไปก็ไม่ทุกเวลาเสียอวัยวะ เสียหูเสียตาเสียจมูกไปก็ไม่ทุกข์เวลาเสียชีวิตเสียร่างกายไปก็จะไม่ทุกข์เพราะเรามีบุญมีความสุขใจอยู่ตลอดเวลานี่คือ <c oughs> สิ่งที่พระพุทธเจา้าทรงสอนให้พวกเรามาทํากันมาสะสมทรัพย์ภายในคือบุญต่างๆนี่เองบุญที่เกิดจากการทําทาน บุญที่เกิดจากการรักษาศี่งบุญที่เกิดจากการเจริญสมถภาวนาบุญที่เกิดจากการเจริญวิปัสนาภาวนาถ้าเราทําได้เราก็จะได้ไปอยู่ที่เดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่กันก็คือที่ที่ไม่มีความทุกข์ที่มีที่ที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถทํากันได้ทุกคนเพราะเรามีผู้สอนมีผู้นําทางแล้วถ้าไม่มีผู้สอนผู้นําทางเราจะไม่สามารถไปถึงจุดที่พระพุทธเจ้าและพาาาระอรหันต์ไปได้เพราะเราเป็นเหมือนคนตาบอดนี่เองคนตาบอดจะไปไหนมาไหนด้วยตนเองนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องมีคนตาดีพาไป พวกเราก็เหมือนกันต้องมีคนตาดีถึงจะไปได้ชาตินี้พวกเราโชคดีได้มาเกิดมาพบคนตาดีก็คือพระพุทธเจ้าเราจึงอย่าปล่อยโอกาสอันนี้ให้หลุดมือจากเราไปให้ปัญญาเดินตามพระพุทธเจ้าเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วเราจะได้มีแต่สุขมีแต่ทรัพย์ที่จะให้ความอิ่มหนำสำราญใจ ให้ความปลอดภัยกับเราไปตลอดไม่มีวนสิ้นสุดดังนั้นขอฝากเรื่องของการมาสร้างทรัพย์ภายในด้วยการทำทานรักษาศีลภาวนานี้ให้ท่านได้นำมอกไปพินิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา